บทที่สิบสให้กับช่วยสองชั่วโมงผ่านไปท่านพระครูก็ยังไม่มีที่ท่าว่าจะง่วงพยาบาลสองคนนั่งสปงกอยู่ใกล้อสนะเพราะเหนื่อยกับการงานมาทั้งวันนายขุนทองแวะเวียนมาดูหลายรอบ ครั้นเห็นว่าคนที่ง่วงเหงาหานอนเป็นพยาบาลแทนที่จะเป็นหลงลุงของเขาจึงโวยวายลั่นกุติฟ้าถลม่มฟ้าถล่มแล้วคุณพยาบาลตื่นเถอะพยาบาลสองคนก็หายง่วงเป็นปลิดทิ้งถามเสียงละล่ำละลักว่าฟ้าฟ้าถล่มที่ไหนและมีใครเป็นอะไรตายบ้างถล่มที่กุตินี่ละะ่ะฮะมีอย่างที่ไหน พยาบาลให้ยานอนหลับคนไข้แล้วก็มาหลับซิเองปล่อยให้คนไข้นั่งพูดไม่หยุดไม่ย่อนทําไมถึงเป็นอย่างนี้ล่ะฮะพยาบาลสองคนเกิดสํานึกในหน้าที่จึงพร้อมใจกันโยนความผิดให้ท่านเจ้าของกุฏิก็หลวงพ่อท่านประสาทแข็งท่านสู้ยายาโยหมดอายุหรือเปล่าท่านพระครูย้อนถามไม่หมดค่ะ เพิ่งจะแกะกล่องเลยพอออกกำชับมาว่าอะไรที่เกี่ยวกับหลวงพอ่อให้ใช้ของใหม่หมดหลวงพ่อสู้ยาจริงๆนั่นแหละหล่อนปักใจเชื่อลองให้อีกรอบหนึ่งดีไหมอีกคนหนึ่งพยายามที่จะแก้ปัญหาอย่าเลยสามเม็ดก็มากเกินแล้วปกติเม็ดเดียวคนไข้ก็หลับไม่ตื่นแต่ทำไมรายนี้ถึงมาแปลก แสดงว่าท่านปราสาทแข็งท่านสู้ยาหล่อนสรุปแบบเดิมๆท่านพลักครูจึงพูดอย่างท้าทายว่าจะให้อีกสามรอบหรือสิบรอบก็ได้นะอาตมารู้สึกว่ายาคงโยมช่วยให้อาตมาตาสว่างขึ้นอีกโขเลยงั้นลองฉีดยาดีไหมพยาบาลปรึกษากันยาเลย อาตมากลัวเข็มขอให้เชื่อเธอว่าขนาดกินยังไม่ได้ผลแล้วฉีดยาจะได้ผลได้อย่างไรยาฉีดเลยนะอาตมาไม่อยากเป็นหนูตับเผาและจะทำยังไงดีล่ะพยาบาลสองคนรู้สึกจนปัญญาก็ไม่ต้องทำยังไงหรอกโยมสองคนกลับบ้านไปพักผ่อนเธอเดี๋ยวอาตมาง่วงก็หลับเองนั่นแหละ เจ้าของกุฏิช่วยตัดสินใจแล้วเมื่อไรหลวงพ่อจะง่วงละ่ะเมื่อไรหล่อนถามเสียงดุเมื่อไรก็เมื่อนั่นแหละโยมอย่าห่วงเลยอาตมาไม่ตายง่ายๆหรอกยังต้องอยู่ใช้หนี่มนุษย์อีกนานท่านตอบตามความเป็นจริงดังที่ได้อธิษฐานไว้กับพญายมราชงั้นเรากลับกันก่อนดีไหม พรุ่งนี้ค่อยไปเรียนท่านผ อ, อ, อให้ทราบถ้ายังไงก็ให้ท่านมาจัดการเอาเองก็ดีเหมือนกันนะงั้นหนูกลับก่อนนะคะหลวงพ่อหล่อนกําลังจะกราบลานขุนทองซึ่งนั่งอ้าปากหาววอฟังคนโน้นพูดทีฟังคนนี้พูดทีแต่ไม่ได้เรื่องสักทีจึงพูดด้วยเสียงที่ดังจนเกือบจะเป็นแหวโอ้ย แบบนี้หลวงลุงของหนูก็พูดกันยันแจ้งเลยนะสิรับรองว่าไม่ได้พักผ่อนแน่นอนท่านพระครูพูดเสียงเรียบว่าเองอยากพักผ่อนก็ไปพักผ่อนได้ข้าอนุญาตส่วนข้าต้องทำหน้าที่ญาติโยมเขามีทุกมาให้ช่วยข้าก็มีหน้าที่ต้องช่วยถ้อยคําของท่านพระครูทำให้ญาติโยมที่กำลังคิดว่าตนมารับกวนพากันใจชื้นขึ้น จเจ้าอาวาดวัดป่ามะม่วงจ่างเป็นพระที่มีเมตตามหาศาลหนูจะพักผ่อนได้ยังไงในเมื่อหลงลงลำบากตรากตราอยู่อย่างเนี้ยหนูไม่เหมือนพวกคนที่เห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนของตัวเองเป็นที่ตั้งคนอื่นจะลำบากยังไงก็ช่างพูดยังไม่ทันจบท่านพระครูก็ขัดขึ้นว่าขุนทองนี่เองชักจะมากไปแล้วนะมากไปแล้ว คนที่มากเกินไปนะ่ะคือหลงลุง่มตั้งหากไม่ใช่หนูหลานชายเถียงฉอดๆข้ามากเกินไปยังไงพูดมาสิก็คนที่รักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะ่ะถ้าไม่เรียกว่ามากเกินไปแล้วจะให้เรียกว่าอะไรล่ะฮะภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าเวอร์หลานชายอธิบายทั้งภาษาไทยและก็ภาษาฝรั่ง เอาเถอะเอาเถอะข้าเจ้เว่เจะแววอะไรมันก่อเรื่องข้องข้าเองไม่ใช่ข้าถึงไม่รู้ว่าข้าทำเพื่ออะไรการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งที่น้อยคนนักจะทำได้เพราะคนเราโมาแต่นึกถึงประโยชน์ตนมาได้สนใจประโยชน์ท่านโลกถึงได้สับสนวุ่นวายอย่างที่เป็นอยู่นี้ คนอย่างข้าไม่ใช่หาได้ง่ายๆหรอกนะส่วนคนอย่างเองนะ่ะมีมากมายเหมือนเม็ดทรายในมหาสมุทรท่านตั้งใจจะว่าหลานหากคนฟังที่ไม่ได้เป็นหลานกลับพากันรู้สึกร้อนๆหนาวๆเอาละญาติโยมมีอะไรก็ว่ามาอย่าไปสนใจหลานชายอัตมาเลยเขาไม่ค่อยจะเต็มบาเต็มสลึงทังกโตไร โยมพยาบาลจะกลับไปพักผ่อนก็เชิญขออนุโมทนาที่มาดูแลอาตมาขอให้เจริญเจริญนะท่านให้พรพยาบาลแต่คนที่นั่งนะที่นั้นพากันยกมือขึ้นสาธุเพระอยากเจริญตามพรที่ท่านพระครูเจริญให้หลวงพ่อครับเราสองคนถูกลูกชายโกงโฉนดที่ดินก็เลยต้องฟ้องลูก แบบนี้จะบาปไหมครับมูหรหุดวัยหกสิบเศษกราบเรียนเพราะรอโอกาสมานานสตรีวัยเดียวกันที่มาด้วยรีบอธิบายว่าลูกชายเขาเชื่อลูกสะภ้ยเขากลัวว่าเราจะยกที่ดินแปลงนี้ให้ลูกสาวเลยวางแผนโกงเราจากหลวงพ่อตอนนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกก็กำลังเดือดร้อนเดือดร้อนมาก เขาจะให้ย้ายออกจากบ้านที่เคยอยู่มาแต่เดิมจากหลวงพอ่อทำไมถึงต้องย้ายละ่ะแล้วยมจะพากันไปอยู่ที่ไหนยังไม่ทราบเลยครับหลวงพอ่อผมมีบ้านอยู่หลังเดียวตอนนี้มีรายได้จากเงินบำนาญเดือนละห0 0พันบาทเท่านั้นโยมเคยรับราชการหรือครับหลวงพอ่อผมเคยเป็นครูประชาบาล เงินบำนาญก็แค่เนี้ยจะให้ไปซื้อบ้านใหม่ก็ไม่พอหรอกครับและโยมหล่ะทำงานอะไรท่านถามภรรยาของเขาฉันเป็นแม่บ้านจ้ะ ก, ก่อนแต่งงานเคยค้าขายเล็กๆน้อยๆพอแต่งงานมีลูกก็เลยเลิกเพราะหาคนเลี้ยงลูกไม่ได้และโยมไปทำยังไงถึงให้ลูกโกงไปได้ละ่ะคือเขามาขอยืมโฉนดไปครับ บอกว่าจะเอาไปค้ำประกันธนาคารเพื่อซื้อรถกระบะเขาก็เอาเอกสารมาให้ผมกับแม่บ้านเซ็นเขาบอกให้เซ็นก่อนแล้วธนาคารก็จะกรอกข้อความเองโยมสองคนก็เลยเซ็นท่านพระครูคาดการครับจ้ะสองสามีภรยาตอบพร้อมกันแบบนี้ก็เรียบร้อยโยมเสียรู้ลูกชายแล้ว แบบนี้ฟ้องไปกอแพ้แพ้แล้วนะสิครับหลวงพอ่อผมถึงต้องมาขอความช่วยเหลือผมกับภรรยาน่ะไม่เท่าไรไปเช่าบ้านอยู่ก็ได้แต่สงสารลูกสาวเพราะเขายังไม่ได้แต่งงานเกิดเราสองคนตายเขาก็จะไม่มีที่พึ่งหลวงพ่อโปรโดช่วยพวกเราด้วยนะครับบุรุษนั้นพูดอย่างน่าสงสาร อาตมามองไม่เห็นทางเลยว่าจะช่วยยังไงญาติโยมจำเอาไว้นะใครเขาใหมาเซ็นอะไรก็ต้องอ่านให้ทีถ่วนเสียก่อนแล้วก็ต้องหาคนที่ไว้ใจได้มาเป็นสักขีพยานท่านถือโอกาสสอนญาติโยมเราก็ไม่คิดว่าลูกจะโกงนี่จ้าหลวงพ่อเขาเป็นลูกในไส้แล้วเราก็เลี้ยงเข้ามากับมือ ไม่นึกไม่ฝันว่าจะมาทำอย่างนี้กับพ่อแม่ได้เขาเชื่อลูกสะพ้ยจหลมพ่อลูกสะพ้ยเขายุผัวให้โกงพ่อแม่อาตมาไม่เห็นด้วยกับลูกแบบนี้นะผู้ชายมีเมียแล้วให้เมียมาเป็นแม่หรือผู้หญิงที่ให้ผัวกลายมาเป็นพ่อแล้วก็ลืมพ่อแม่ของตัวแบบนี้ใช่ไม่ได้อย่าโยมจำเอาไว้นะ อย่าให้เมียมาเป็นแม่หรือให้ผัวมาเป็นพ่อจะทำมาหากินไม่ขึ้นท่านสอนญาติโยมอีกลุงพ่อคะดิฉันก็ถูกลูกศิษย์ที่เป็นตำรวจโกมคะ่ะดิฉันยืมเงินเขาใช้แล้วก็เซ็นชื่อไว้ตัวเดียวแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มาครั้งล่าสุดดิฉันยืมเขาห้าพันเขาก็ไปเขียนให้ห้า0มืน แบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะอาจารย์วยัยห้าสิบเศษเอ่ยขึ้นหล่อนมานั่งรอคิวอยู่ตั้งแต่สองทุ่มเพิ่งจะได้โอกาสกราบเรียนท่านพักครูโอ้โหนี่โยมทำไมถึงฉลาดน้อยอย่างนี้ละ่ะเป็นถึงครูบาอาจารย์ยังให้ลูกศิษย์โกงได้ลูกศิษย์ก็เหลือเกินโกงได้กระทั่งครูข้องตัว แบบนี้ไม่เจริญหรอกท่านตำหนิทั้งครูทั้งลูกศิษย์ไม่เจริญอะไรได้ล่ะคะเขาขับรถเบนซ์ใส่ทองเส้นเท่านี้หัวแม่มือขนาดเป็นแค่ในดาบแต่รวยกว่ากำนานสิอีกพวกในตำรวจยังต้องมากู้เงินเขาใช้ โยมอย่าเอาวัตถุภายนอกมาวัดความเจริญของคนสิต้องวัดกันที่จิตใจคนที่เจริญนั้นเขาต้องมีจิตใจดีมีศีลมีทานแล้วก็มีเมตตาการุณาต้องเจริญด้วยทรัพย์ภายในไม่ใช่ด้วยทรัพย์ภายนอกแล้วแบบนี้ดิฉันจะฟ้องเขาดีไหมคะท่านพระครูยังไม่ทันได้ตอบปรุษที่มากับภรรยาก็พูดขึ้นด้วยเสียงปกติว่า หลวงพ่อครับผมรู้สึกว่าถูกแซงคิวครับหลวงพ่อยังไม่ได้ให้คําแนะนำผมเลยครับว่าผมควรจะจัดการกับลูกชายอย่างไรโดยที่ไม่ต้องทําบาปคือมีคนเขาแนะนําให้จ้างมือปืนมาเก็บแต่ผมกลัวบาปหลวงพ่อกรุณาชี้ทางออกให้ผมด้วยเถอะครับท่านเจ้าของกุฏิพึ่งเห็นหนาแล้วก็ตอบว่า โยมไปแจ้งความที่โรงพักนะแจ้งความว่าลูกโกงโฉนดโดยนำเอกสารมาให้เซ็นแต่สารพิภากษาแล้วนี่ครับว่าที่ดินเป็นของลูกชายผมไม่เป็นไรสารเขาก็ต้องพิภากษาไปตามหลักฐานแต่โยมจะได้ที่ดินคืนโดยไม่ต้องพึ่งสารท่านพูดเป็นปริศนาจะเป็นไปได้หรอครับได้สิ เขาเรียกว่าเป็นไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจะเป็นตัวตัดสินเอาละอาตมาให้คำแนะนำแล้วโยมกลับไปทำตามนี้ก็แล้วกันท่านรู้ว่าอีกเจ็ดวันลูกชายกับลูกสะพายจะต้องเสียชีวิตลงพร้อมๆกันเพราะขับรถตัดหน้ารถบรรทุกเขาทำกรรมไว้กับพ่อแม่บังเกิดกล้าวจึงต้องรับผลทันตา ที่นี่ถึงคิวดิฉันแล้วใช่ไหมคะครูวรยัยห้าสิบเศษพูดด้วยเสียงประชนนิดๆท่านพระครูตอบทันทีว่าถ้าฟ้องก็แพ้เสียทั้งค่าทนายเสียทั้งเวลาโยมก็ตัดสินใจเอาก่อนแล้วกันนึกว่าซื้อบทเรียนราคาแพงที่หน้าที่หลังอย่าทำเช่นนั้นอีกสตรีวัยส0ินั่งรอคิวอยู่ด้วยความอดทน คลั้นถึงจึงกราบเรียนว่าหลวงพ่อคะพ่อเอาเงินที่เป็นสมบัติของแม่ไปให้เมียน้อยหนูเลยฟ้องพ่อแบบเนี้ยหนูบาปไหมคะบาปสิลูกการฟ้องบุพการีก็ไม่ทำการโดยเฉพาะพ่อแม่ซึ่งมีบุญคุณกับเราแล้วศาลตัดสินหรือยังละ่ะว่าใครแพ้ใครชนะยังไม่ได้ตัดสินคะ่ะ แต่หนูก็ไม่สบายใจที่ทำเช่นนั้นก่อนแม่ตายแม่สั่งไว้ว่าเงินจำนวนนี้ให้พ่อเก็บไว้ให้หนูแต่พ่อก็เอาไปปลนเปรเมียน้อยพ่อไม่ทำงานทำการไม่มีไรายได้ก็กินใช้แต่เงินของแม่แค่นั้นหนูไม่ว่าแต่การที่เอาเงินของแม่ไปให้เมียน้อยทำให้หนูทนไม่ได้เขามีเมียน้อยมาไม่รู้กี่คนต่อกี่คน จนชาวบ้านเขาให้สมยาพ่อว่าหมาเดือนสิบสองเที่ยวติดเป้งกับตัวเมียไม่เลือกหน้าหนูอายชาวบ้านเขาจึงแทบจะแทกแผ่นดินแล้วค่ะคนฟังพากันหัวราอคิกๆกับสมยาที่ชาวบ้านเขาตั้งให้แต่ท่านพระครู ก, กับปรามว่าหนูอย่าไปว่าพ่ออย่างนั้นบาปกรรมคนอื่นเขาว่าก็ช่างเขาเขาไม่บาป เพราะไม่ใช่พ่อเขาแต่เราเป็นลูกไม่มีสิทธิ์จะไปว่าพ่ออย่างนั้นเอาละหลวงพ่อจะแนะนำว่าหนูต้องทำเรื่องฟ้องเสียแล้วก็เลี้ยงดูพ่ออย่างดีรีบกลับไปบ้านดูแลพ่อเขาไม่ได้อยู่ให้ดูแลหรอกคะ่ะวันวันนึงก็คลุกอยู่แต่บ้านเมียน้อยล่อนยังเคืองแค้นผู้บังเกิดกล้าวแต่ตอนนี้เขาอยู่ที่บ้าน เมื่อสักครู่นี้เ้าล้มในห้องน้ำศีษะฟาดพื้นและก็เป็นอัมพาตสามีหนูเข้าพาส่งโรงพยาบาลหนูรีบไปดูพ่อและก็อย่าไปพูดอะไรที่ทำให้ท่านต้องสะเทือนใจลืมเรื่องเก่าๆให้หมดตอนนี้พ่อเขาสำนึกได้แล้วละอย่าลืมนะดูแลพ่อให้ดีจนกว่าเขาจะจากไปได้ยินดังนี้ สตรีวัยสามสิบถึงกับหลังน้ำตาหล่อนเชื่อตามที่ท่านพูดทุกอย่างไม่เสียทีที่หล่อนอุตสามานั่งรอตั้งค่อนคืนแต่ถึงอย่างไรหล่อนก็ไม่สามารถขับรถกลับบ้านคนเดียวในยามนี้ต้องขอนอนที่วัดสักคืนพรุ่งนี้เช้ามืดค่อยไปนายขุนทองคิดแผนการที่จะทําให้หลวงลุงของเขาได้พักผ่อนจึงไปหายาถ่ายมาแล้ว บอกให้ในายสมชายนำไปถวายพ่สมชายช่วยอาญาบำรุงประสาทไปถวายลงลงหน่อยทำไมเองไม่ไปถวายเองล่ะนายสมชายย้อนถามเขารู้สึกง่วงนอนเต็มทีผู้คนก็ช่างกระไรไม่เกรงอกเกรงใจพระอาพาธไม่รู้ว่าจะทรมานท่านไปถึงไหนท่านไม่ชอบขี้หน้าหนูและหนูก็ไม่ชอบขี้หน้าพวกที่เอาปัญหามาให้พระ พี่ช่วยเอาไปให้ท่านหน่อยก็แล้วกันก็ได้สมชายตอบแล้วก็นำยาไปถวายท่านเจ้าของกุฏิยาอะไรของเองอีกละ่ะท่านพระครูถามพลางรับยามาถือไว้ยาบำรุงประสาทเจ้าขุนทองมันวานให้ผมเอามา เขาตอบตามที่หนขุนทองบอกยานอนหลับนะสิอ่ะกินก็กินท่านกำหนดไม่ง่วงหนอและจึงฉันยานึกกระยิมในใจว่าหลานชายจะต้องแพ้ท่านอีกคราเอาละ่ะที่นี่มีใครมีอะไรก็ว่ามายังเหลือเวลาอีกนานกว่าจะสว่างนี่เพิ่งจะสองทุ่มใช่ไหมญาติโยมพากันขำ ที่ท่านพูดเล่นเพราะขณะนั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วเจ้าทุกหลายคนเริ่มหาวอดวอดตรงข้ามกับพระที่อาพาธไม่มีทีท่าว่าจะง่วงเหงาหานอนแต่ประการใดหลวงพ่อครับผมทำมาหากินอย่างสุดจริตแต่ไม่ค่อยจะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทำยังไงดีครับบุรุษวัยสี่สิบเศษเอ่ยขึ้นเมื่อถึงคิว มันเป็นกรรมติดมาแต่ชาติที่แล้วนะโยมไม่ชอบทําบุญทาทานก็เลยเกิดมาอยากจนคนแค้นวิธีแก่ก็ต้องมันทําบุญให้ทานจะให้ได้อย่างไรล่ะครับหลวงพ่อขนาดจะกินเข้าไปยังไม่ค่อยจะมีแล้วจะเอาอะไรไปทําบุญให้ทานเขาไม่เห็นด้วยกับท่านโยมก็อย่ารอให้มีเส็ยก่อนแล้วคอยทำสิต้องถือหลักมีน้อยทาแต่น้อย ถ้ารอให้มีก่อนแล้วค่อยทำก็รับรองว่าไม่ได้ทำเพราะพอมีเท่านี้ก็ผลัดว่าขอให้มีเท่านั้นค่อยทำพอมีเท่านั้นก็บอกว่าให้มีเท่าน้นค่อยทำมีตัวอย่างนะโยมคนนึงแกขี่เนี้ยวขี่เนี้ยวมากไม่เคยทำบุญเลยเอาแต่เก็บท่าเดียวแกมีเงินหลายหมื่นบอกอาตมาว่า ถ้ามีเงินเป็นแสนจะมาทาบุญกับอาตมาพอรวยเป็นแสนก็พลัดว่าถ้ามีเป็นล้านก่อนตอนหลังแกรวยเป็นสิบสิบล้านแต่ไม่มาให้อาตมาเห็นหน้าอีกเลยคงกลัวอาตมาจะทวงมั้งเสียใจด้วยที่อาตมาไม่อยากได้ของใครไม่เคยแจกใบดีกาใครเขามีบุญเขาก็มาถวายเอง ไม่ต้องออกปากเรียรายโยมเคยเห็นอาตมารเรียรายหรือแจกใบดีกาบ้างไหมท่านถามญาติโยมไม่เคยครับไม่เคยค่ะญาติโยมชายหญิงพร้อมกันตอบตั้งแต่ฉันรู้จักหลวงพ่อมาฉันยังไม่เคยเห็นหลวงพ่อเอ่ยปากเรียรายใครสักทีหลวงพ่อมีแต่ให้กับช่วยโยมอายุห้าสิบพูด ตามที่หล่อนเห็นและสมผานวัดป่ามะม่วงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอ๋ออย่างนั้นรึโยมรู้จักอาตมามากี่ปีแล้วท่านถามยิ้มยิ้มสิบปีเห็นจะได้จ้ะหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่เหมือนพระวัดอื่นบางวัดญาติโยมไปยังไม่ทันจะได้นั่งท่านก็แจกใบดีกาแล้วส่วนวัดนี้ไม่เคยทำอย่างนั้น ฉันถึงได้ศรัทธาหลวงพ่อมากหลวงพ่อยังไม่ตอบผมเลยครับทำยังไงผมถึงจะหากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องบุรุษวัยสี่สิบเตือนก็ให้มันทำบุญทำทานเช่นเช้ามาก็ใส่บาตรพระสักรูปก็ยังดีกับข้าวไม่มีก็ใส่ข้าวเปล่าๆก็ได้และท่องคาถานิไว้อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน้อย อย่านอนคอยวาสนาท่องให้ขึ้นใจแล้วก่อนนำไปปฏิบัติด้วยไม่ช้าจะรวยเองท่านรู้สึกปวดท้องเหมือนจะถ่ายหนักจึงบอกกับญาติโยมบ้าเดี๋ยวนะขอเวลาอาตมาเข่าห้องน้ำหน่อยนะญาติโยมรอเดี๋ยวท่านลุกจากอาสนะญาติโยมพากลีกทางให้พอนั่งที่โถส้วม ก็ถ่ายโจกๆออกมาแถมปวดมวลในท้องเป็นกำลังอาการผิดสังเกตเช่นนี้น่าจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาท่านจึงตรวจสอบด้วยเห็นหนอคลั้นทราบจึงคาดโทษในคุนทองว่าเจ้าตัวดีเห็นจะท่องเทศเสียให้หนักหญิงสาวอายุประมาณส0สิบไม่สามารถรอท่านได้จึงลุกออกไปยืนอยู่หน้าห้องน้ำ ตะโกนเข้าไปว่าหลวงพ่อช่วยดูให้หน่อยว่าเมื่อไรผัวหนูจะกลับมันหายไปหลายวันแล้วสงสัยจะไปมีเมียน้อยท่านเจ้าของกุฏิตะโกนตอบมาว่าโยมขอเวลาอาตมาทำธุระส่วนตัวก่อนนี่จะไม่ให้เวลาอาตมาถ่ายหนักถ่ายเบาบ้างเชียวรืท่านเริ่มรู้สึกเห็นด้วยกับหลานชายว่าคนบางคนนั้น เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองจนเกินไปเหมือนอย่างแม่สาวคนนี้